ทรงอนุญาตให้สวดประกาศมอบผ้ากะถิ่นแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเป็นการสงโดยตั้งยติหนึ่งครั้งสวดประกาศขอความเห็นชอบหนึ่งครั้งรวมเรียกว่ายติทุติยกรรมทรงแสดงเรื่องกระถินเป็นอันกรานและไม่เป็นอันกรานทรงแสดงว่ากระถิ่นไม่เป็นอันกรานด้วยเพียงสักว่าขีด